แท้จริงสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธดีกาโปรดประธานพระสัต ธ, ธรรมเทศนาว่าอธิภิกขเวอชาตังอภูตังอกตังอสังคตังดูกรพิคุทั้งหลายทำที่เป็นอารมณ์แห่งพระอริยมรรคอริยผลที่ตถาคตร้องเรียกว่านิพานนั้นมีอยู่เป็นแท้พระนิพพานธรรมนั้น อาชาตังมีได้บังเกิดด้วยเหตุปัจจัยอภูตังมีได้บังเกิดด้วยตนเองอากตังพระนิพพานนั้นบุคคลทั้งหลายมีอีสวนเป็นอาทิมีอาจจะตกจะแต่งมีอาจจะกระทาได้ด้วยกำลังอิทธิฤทธิและกาลังกายถึงจะมีกำลังฤทธินั้นมากเป็นประการใดประการใดจะมีกาลังกายมากสักเท่าใดเท่าใด ก็มีอาจจะตกจะแต่งมีอาจจะนิรมิตซึ่งพระนิพพานนั้นได้อสศังขตังพระนิพพานนั้นจะมีกุศลากุศลธรรมประชุมแต่งเหมือนอย่างรู ป, ปรธรรมนามธรรมทั้งปวงนั้นหาไม่ได้สัพพาสังขารสา ม, มโถสัพภูปฏิปฏินิสัคอพระนิพพานนั้น สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสพระสัตว์ธรรมเทศนาว่าเป็นอุปนิสัยให้ระ ง, งับเสียซึ่งสังขารธรรมทั้งปวงให้สละลาเสียซึ่งอุปธิกิเลสทั้งปวงคำภีโรพรานิพพานนั้นเป็นธรรมอันสุ ข, ขุมล้าลึกคัมภีรภาพทุตทโส ổ, ยากนักที่บุคคลทั้งปวงจะล่วงเห็นทุรานุโพโท ยากนักที่จะตรัสรู้แจ้งประจากซึ่งพระนิพพานสันโตปนีโตพระนิพพานธรรมนั้นละเอียดเหลือละเอียดประณีบรรจงยิ่งนักอากัดก้าวาจะโรบุคคลทั้งหลายไม่พึงรู้ด้วยอันจะคิดเอาเองตรึกเอาเองนั้นมิได้นิปุโนพระนิพพานภัยบุญไปด้วยคุณอันเลิศ ปันดิตเวทานิโยอันบันดิตผู้ปรีชาปฏิบัติตามพระอาสดางคิกามกตธรรมทั้งแปดประการนั่นแหละจะพึงรู้จะพึงเห็นสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาเรียกว่านิโรธสัตว์ด้วยอัตถาว่าเป็นอุปนิสัยให้ดับทุกแท้แท้สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัย สัพพะเสนียจันไรสัพพะอุปัทวาทั้งปวงนั้นพระนิพพานเป็นอุปนิสัยให้ดับเสียสิ้นเสร็จให้ดับเสียได้แท้ๆพระนิพพานนี้เป็นสุขเที่ยงมิได้เจือไปด้วยทุกสุขอื่นๆจะสุขเที่ยงเหมือนสุขในพระนิพพานนี้หาไม่ได้อาศัยเหตุชนี้พระนิพพานจึงเป็นที่ยินดี เป็นที่ปรารถนาแห่งอริยสัจบุรุษทั้งหลายมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานพระอริยบุคคลที่ได้สาเร็จอนุ ป, ปาทิเสสนิพา น, นธาตุดับกรรมมัชรูปและวิบากขันสิ้นเสร็จลนั้นย่อมปราสจากชาติละชราพยาธิและมรณะปราสจากความโศกเศร้าโซกาอาัยให้สะอื้นถึงซึ่งความสุขอันเลิศกว่าสมบัติสุขทั้งปวง ในมนุษย์โลกและสวรรค์เทวโลกอันสุขในมนุษย์สุขและสวรรค์ น, นี้เจือไปด้วยทุกขมีสภาวะวิปริตผิดพันแปรปรวนอยู่ไม่มั่นไม่คงไม่ยั่งไม่ยืนไม่สุขแท้เหมือนสุขในพระนิพพานพระนิพพานเป็นสุขแท้สุขอันเที่ยงไม่ได้เจอด้วยทุกขเหตุนี้สุขในพระนิพพานนั้น สมเด็จพระมหากรุณาจึงมีพระพุทธดีกาตรัสเทศนาสันเสริญว่าเป็นเอกันตบรมสุขแท้เอวังด้วยประการชนี้แสดงมาในนิโรธศัสตร์ตามสติปทานสถานุรูปโดยสังเขกก็ยุติลงแต่เท่านี้